กาบุมัสการพระคุณเจ้าคุณไม่ชีกลัลยั้งิดทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็ปกติทุกคืนวันเสาร์ก็มีการบรรยายนะก็เป็นปกติพระ ก, กูกำลังมองหาโจทย์อยูย่ <c oughs> ดูอารมณ์ก่อนนะก็ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นพระ ก, กูก็ขอทบทวนในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน เรื่องนี้เคยเกินไว้เมื่อปีที่แล้วนะพ่อครูไปเห็นข้อมูลหนึ่ง อ, อ, องค์กรต่างประเทศที่เขาเราียกว่าพิวนะเขาได้ไปสำรวจประชากรของโลก 6,872 ล้านคนในปีคศ2010 เขาไปสำรวจเห็นว่าคนที่นับถือาศาสนาคริสต์ 2,200 ล, ล้านคนเป็นหนึ่งในสามของโลกคือสามคนอยู่ในโลกนี้นับถือาศาสนาคริสต์หนึ่งคนลองลงไปก็อิสลามพันหกร้อล้านคนก็เข้าๆ เ, เท่ากับหนึ่งในสี่ นะมาอันดับสองหนึ่งในสี่คือในโลกนี้มีสี่คนนับถืออิสลามไอ้สี่คนนับถืออิสลามค น, คนหนึ่งแล้วก็ที่สามเนี่ยพันหนึ่งรอยล้านคนไม่มีศาสนาแล้วคนพวกนี้ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่คนมีความรู้ ไม่ใช่ว่าพวกชาวเขาชาเผ่าอะไรเนี่ยเขามีาศาสนานะเพราะนั้นนับถือนับถือผีสางเทพเ ท, เทวดาทีนี้อันดับสามก็คือไล้าศาสนาอันดับสี่คือฮินดูหนึ่งันล้านคนเท่ากับหนึ่งในเจ็ดของโลกหมายถึงว่าเจ็ดคนจะมีฮินดูหนึ่งคนอันดับห้าพุทธ ห้าร้อยล้านคนเท่ากับหนึ่งในสิบสี่สิบสี่คนในโลกนี้มีพุทธหนึ่งคนห้าร้อยล้านนะห้าร้อยล้านอันดับต่อไปก็พวกนับถือธรรมชาติอย่างพวกอินเดแดงนับถือพาทิตย์เป็นพ่อ นับถือธรรมชาติแล้วก็พวกถือผีถือสางถือเทพถือเทวดาพวกนี้ก็มีประมาณ400ล้านคนลองจากพุทธเราหน่อยหนึ่งพุทธเรา500ล้านแล้วก็ศาสนาเล็กๆพวกบาายลัทธิบาไฮาซิก เ, เตา๋า ซินโตแ้แล้วศาสนาเล็กๆในรวมกันแล้วก็แค่ห้าสิบแปดล้านคนส่วนยิวนั้นมีประมาณสิบสี่ล้านคนรวมกันแล้วก็หกพันแปดร้อยเจ็ดิบสล้านคนของคนทีนี้ไอ้หกพักว่าล้านคนเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งก็คือเป็นเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกให้นับถือเพราะพ่อแม่ให้นับถือและผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาแต่และศาสนา ก็เกินครึ่งหนึ่งของที่นับถือสมมติว่าหนึ่งรอยคนเนี่ยห้าสิบคนเนี่ยนับถือตามพ่อแม่และอีกห้าสิบคนเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งึงไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรนะมันสะท้อนให้เห็นอะไรเพราะครูมาจากอเมริกาเมื่อ25้าปีก่อนข้อมูลตอนนั้ น, น่ะเมืองไทยเรามีพุทธศาสนิกชนรซ็น แล้วก็รนจันร์ลงาศาสนาเผยแผ่าศาสนามาตอนนี้เหลืออยู่85ถ้าถ้าในทางโลกที่เราทำหน้าที่ถือว่าเราถอยหลังทีนี้ที่พูดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าจะต้องไปแข่งขันกับใครเราจะเอาสถิติตัวเลขนี้เพื่อให้ดูแนวโน้มว่ามันจะเป็นอย่างไรและแนวโน้มทุกวันนี้เนี่ยมันจะไปในค่อนในคนที่ไล้าศาสนามากขึ้น เพราะคนยุคใหม่เนี่ยเขาคิดแบบวิทยาศาสตร์ต้องการเหตุผลแบบตักก์พิสูจน์ได้ด้วยตาเนื้อแล้วก็ที่สำคัญคือเขาความคิดแบบทุนนิยมวัตถุ น, นิยมเนี่ยเป้าหมายชีวิตเขาคือต้องเพิ่ม GDP ต้องเพิ่มทุนโดยคนเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วจะสบายทีนี้กลับมาดูศาสนาแล้วนี่ไม่ได้สอนไม่ได้ช่วยให้เขามีเงินมากขึ้น เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าศาสนาไม่ได้ช่วยชีวิตเขาเลยคนกลุ่มนี้มากขึ้นมากขึ้นนะทุกวันเพราะว่าเขาคิดแบบเหตุผลแบบตะ ก, กะไงถ้าศาสานานี่หลงงมงายไร้าสาระไม่ช่วยไม่ได้ช่วยชีวิตเขาเลยไม่ได้ทําให้เขารวยขึ้นคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มมากขึ้นทีนี้ศาสนาใหญ่ๆในโลกนี้มีสี่ศาสนา มีคริสต์อิสลามฮินดูแล้วก็พุทธมีสี่ศาสนาใหญ่ๆนะแต่พุทธเราอยู่ในที่ห้าไม่ใช่ที่สี่นะอยู่ในดับที่ห้าเพราะมีอันนึงไล้ศาสนามากกว่าเราด้วยและทีนี้แนวโน้มคนพุทธเราเนี่ยพอกูก็ไปหลายประเทศที่มีพุทธเนาะช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแล้วก็เราอยู่เมืองไทย ไอ้ที่ว่าพุทธเผยแพย่าศาสนาเพื่อให้คนาศาสนาอื่นเขามานับถือเราเนี่ยคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซนตก็ไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะมีน้อยมากเป็นหนึ่งเปอร์ซนก็ไม่ถึงแต่เรารักษาเออพุทธเราเองเราจะให้ลูกหลานเราถือพุทธด้วยตอนนี้เนี่ยเปอร์เซนต์มันน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยาศาสนาไม่มีคำตอบให้กับเขา แม้กระทั่งตอนนี้คนมีวิชาความรู้นจากความอยากได้เยอะๆออหวังว่าจะทำอะไรสำเร็จแต่ไม่แน่ใจก็ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งหมอดูไหว้เทพเทวดาพึ่งเครื่อง เ, ออเครื่องางของขังตอนนี้พุทธเราแนวโน้มจะไปในทางไล้าศาสนาแล้วก็ตกลงไปในกลุ่มที่ถือผีถือสางถือเทพ พุทธเราทำท่าจะน้อยลงทุกๆวันที่นี้พุทธในเมืองไทยเรามีคนหกสิบกว่าล้านคนนะเอาเป็นว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็ตก็ประมาณห้าสิบล้านเศษเศษถ้าห้าสิบล้านเศษเศษกับตัวเลขที่ว่าพุทธทั่วโลกมีห้าร้ยล้านเนี่ยเราก็เท่ากับสิบเปอร์เซนของพุทธทั่วโลกเพราะกูเชื่อดูว่าพุทธเมืองไทยเท่ากับสิบปอร์เซ็นตแต่ที่นี้คนไทยพุทธเราทุกวันนี้เราชืาใจว่าโอ้ยพุทธเรานี้สุดยอด พุทธเมืองไทยนี่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็คือไม่ใช่พุทธแล้วตอนนี้พุทธบ้านเราเป็นยังไงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองมันเป็นกลายเป็นพุทธผาณนิษฐ์เป็นแค่พุทธแค่รูปแบบนะเพราไปติดรูปแบบเราพอไปเจออะไรแปลกๆแล้วเนี่ยญาติธรรมเราก็มีนะหลายคนไม่ใช่ไม่มีนะสองปีแล้วที่วัน สงการพ่อครูจัดปาร์ตี้แฟรซิปาร์ตี้หลายคนรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาแบกอยู่เขาแบกไอที่เขาเชื่ออยู่พอเขาเห็นอะไรที่ไป็นใหม่เขารับไม่ได้พวกนี้ไม่ก้าวหน้าคนที่ติดคือพวกนี้ติดบางคนแบบเหมือนว่าเอ๊ะจิตพ่อครูไม่เที่ยงเหรอจิตพรอครูไม่มีมันเปลี่ยนไม่ได้เหรอแต่ความไม่เที่ยงคือโลกมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง ถ้าศาสนายัางอนุรักษ์ยึดมั่นถือมั่นกับไอ้รูปแบบที่ตัวเองติดอยู่เนี่ยต่อไปคนเขาจะไปอยู่ในไล้ศาสนาเพราะศาสนาไม่ให้คําตอบเขาถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุทธวิธีเปลี่ยนเทคนิคในการนําเสนอให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเราจะอนุรักษ์ที่เราเชื่อ น, นอนุรักษ์ไปอยู่เวลาเราตายแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่มันไม่เอาต่อมันก็สูญพันธ์ เพราะคูดูแนวโน้มแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้เพื่อให้าศาสนามาแข่งกันเพื่อแย่งชิงมนชนไม่ใช่ผู้ริเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นผู้รเจ้าไม่เคยสอนให้ดําดิให้สาวกจาริ่งออกไปประกาศาศาสนาพวกะคูไม่เคยได้ยินไม่ต้องไปแข่งกับใครผูร้รเจ้าดําดิให้สาวกจาริ่งออกไปประกาศพรมอาจารย์ชี้ทางผลทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่นหนึ่ง ตอนนี้เราไปประกาศาศาสนาแข่งกันเราถึงขัดแยงเป็นสงครามความเชื่อในทางาศาสนาต่างกันแทนที่าศาสนาจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นกลายเป็นว่ า, าศาสนาเป็นตัวทำให้มนุษย์ขัดแยงคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เอาไม่เห็นช่วยชีวิตเขาเลยถ้าเรามจะเต่าล้านปีปติดรูปแบบนะไปแก้งขังกันเราเองก็ไม่พ้น ไอตัวศาสนาเองก็ไปไม่รอดเพราะเราไม่มีปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะเพราะคุณนิ่งๆมา25ปีที่พระคูเคยอธิบายว่าน้ำมันนิ่งแล้วเนี่ยฝุ่นละอองล่วงลงมาเม็ดหนึ่งนิดเดียวเราก็สัมผัสได้ใบไม้ร่วงมาเราก็สัมผัสได้แต่ถ้าเล่นกระดานโต้คลื่นอยู่ทะเลอยู่เขาโยนหินก้อนใหญ่ๆเราก็ไม่รู้เรื่อง จิตพวกเราโวแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยมันฟูมันไม่เห็นของจริงนะพวกคุณนิ่งมาตลอดความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเกิดขึ้นพวกครูสัมผัสได้ศูนย์นี้ถ้าพอคุไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยพครูอยู่คนเดียวศูนย์นี้ก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าลูกหลานวิ่งไปตามโลก หนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านถ้าพระครูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมโอนอ่อนยอมรับความเป็นจริงว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยสูนี้เหลือพระครูอยู่คนเดียว <Yeah. S 1> การให้เนี่ยให้แม้กระทั่งสิ่งที่พระครูไม่มีคำว่าชอบไม่ชอบหรอกแต่ถ้าเราถามในภาษาโลกว่าให้แม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่จาเป็นสาหรับเราเลแต่ว่าจเป็นสาหรับเขา ต้องไม่มีเงื่อนไขแต่คนให้แล้วมีเงื่อนไขแล้วก็อ้างนวนอ้างนี่แล้วก็มีจิตต้านเราหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกจิตเราไม่ได้หรอกมันไม่ก้าวหน้าเราเนี่ยแหละเป็นคนติดนะติดรูปแบบแล้วคิดว่าเราติดเรารักษาไอ้ตัวที่เราติดได้ไหมไม่ได้ถ้าคนรุ่นใหม่มันไม่เอา พระกดทิชีให้ดูตรง ว, ว่าอย่าชะล่าใจนะบางคนคิดว่าโอ้ยพุทธเรายิ่งใหญ่พุทธจริงๆพระพุทธเจ้าเน่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลล่ะแต่ตอนนี้ศาสนาพุทธในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดถ้าดูจากตัวเลขความเป็นจริงแล้วนเห็นไหมศาสนาใหญ่ๆในโลกนี้มีสี่ศาสนาแต่เราไปอยู่ในระดับที่ห้า ถ้าในทางโลกเราแข่งตัวเลขกันเนี่ยเราชนะแก่พวกไอ้ถือผีถือสางถือเทวดาเนี่ยแค่นิดเดียวแล้วยิ่งใหญ่ไหมไปติดเตารูปแบบกันนะแล้วก็ไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองดำเนินแล้วเนี่ยตัวเองหลงทางไม่พอยังพาคนอื่นหลงนะหลงทางคืออะไร หลงคืออะไรคือคือหลงติดติดอะไรก็คือหลงติดรูปแบบต้องเป็นแบบนี้พูดต้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ก็ตั้งโจทั้งข้อหาหลายปีพ่อคูโดนแตเป็นช่วงๆนะเดี๋ยวจะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ๆมันไม่ตัดผมไม่ใช่พวกครูวให้ผมนะแต่พวกคูยังไม่เอาออกเท่านั้นเองตอนที่ไม่เอาเขาออกนั่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแต่หลังจากเคยชินแล้วเออช่างมันเถอะ ก็เลยลืมไงตอนนี้เอ๊ะอีกเห็นั้มเพราะเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใครเปลี่ยนพวกคกูไม่ได้นะจิตพวกคูมันไม่มีมันไม่ได้เปลี่ยนแต่สังขารมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ให้มันลองเปลี่ยนดูนะก็มันเป็นยังไงล่ะพวกคูไม่มีความรู้สึกมีอะไรแตกต่างเลยระหว่างผมสั้นกับผมยาว แต่ถ้าใครผมยาวผู้พักูจี้บอกปุ๊บแล้วก็ไปตัดผมสั้นมันดีหมดแล้หละแต่ต้องต้องดูว่าในเวลานั้นนั้นอ่ะบางครั้งผมยาวก็ดีนะถ้าจะไปเป็นดาราหรือเป็นอะไรเนี่ยเนาะแต่บางครั้งมาเบี่ยงเบีย ง, ยงผมยาวมนก็เป็นภาระไงมันเบี่ยงหน้าตัวเองเนาะบางคนบอกผมยาวบอกโกนหัวเถอลูกอุ้ยสยอง จริงๆไอ้ที่น้าสยองนั่นไม่ใช่ผมสั้นนะคือผมยาวนะผีแม่นาคพระขนงเนี่ยไม่ใช่ผมสั้นนะผมยาวนะหน้าสยองมากใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราติดมันแล้วเราก็บอกเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราเวลานี้เราทําอะไรแล้วก็สังขารร่างกายเราเนี่ยอันไหนควรจะจัดการมันบ้างอะไรที่ควรปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่ที่ว่าเราต้องมีสติมีปัญญารู้ว่า ตัวไหนมันเหมาะสมมันไม่มีสูตรตายตั ว, ว่าผมสั้นดีผมยาวไม่ดีหรือผมยาวดีผมสั้นไม่ดีทีนี้พวกนักบวชต่างๆเนี่ยทำไมเขาเลือกโกนผมผมสั้นนะเพื่อเป็นการฝึกลดละเลิกยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การรักษาดูแลก็ไม่เป็นภาระอะไรอย่างน้อยๆการที่เราเปลี่ยนแปลงจากผมยาวเป็นส้นขั้นหรือว่าคนมีคิ้วก็โกนคิ้วเนี่ย ถ้าไม่มีอินทรีย์พละงไม่มีบุญลักษณะหนึ่งเนี่ยทําไม่ได้มันทําไม่ได้จริงๆแต่เมื่อเรากล้าทําแล้วเราข้ามพ้นวันั้นเหมือนสงการเราก้าแต่งตัวอะไรที่เราไม่เคยแต่งทําอะไรบ้าๆบอๆนั่นคือก้ามพ้นอีกข้ามหนึ่งแต่คนไม่กล้าละอ้างว น, อ, นอ้างนี่นะคนก็แป๊อยู่ตรงนั้นเนื่องจากว่าไม่ศรัทธาตั้งมั่นในครูบาอาจารย์คิดว่าครูบาอาจารย์เพี้ยนไม่รู้ใครเพี้ยน คนยึดติดนั่นแหละเป็นคนเพีย้ยนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมวางความที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นตัวองค์ตัวเองหลงติดบางครั้งเราต้องกล้าทำอะไรที่กิเลสมันไม่ยอมอย่าไปคิดว่าเราคิดถูกน ะ, นะพระครูไม่ได้คิดพระครูทำไปตามเหตุและปัจจัย เอาแค่ว่าพวกเรามาอยู่ในป่าเนี่ยมาทําตรงนี้คนเขาก็ว่าเราแ ล, ะละ้วล่ะพวกนี้เพี้ยนละพวกนี้คิดไม่เป็นละพวกนี้สิ้นไร้ไม้ตอกละถ้าพูดถึงถูกว่าว่าตั้งแต่วันแรกพ่อคูมาจากอยู่เมืองนอกถอยมาอยู่บนนอกเนี่ยโดนว่าตั้งแต่แรกแ ล, ะละ้วล่ะเอาว่าก็ว่าก็ว่านะว่าไปพวกคูก็อยู่ของพ่อครูขึ้นมาเนี่ยยี่สห้าปี มีญติที่ทำศีรษะเกตเกือบยี่สิบปีก่อนมาที่นี่เขาบอกชอบชอบเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้ามาจุดเทียนเพราะเนาหนีความเจริญแบบนั้นเขาเบื่อตรงนั้นเขามาเาก็ชอบชอบแล้วสุดท้ายก็ชอบมาแค่สามสี่วันก็ไปในจุดที่ตัวเองไม่ชอบไม่ชอบพอพ่อคูตัดสินใจ พอตัดสินใจเราเปิดโรงเรียนเพราะชุมชนมันกําลังล่มสลายหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านพราครูทํามาหมดแล้วกเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทุกโทรทัศน์ทุกช่องมาถ่ายทำนะตั้งแต่ปีสามสองสามสามเนี่ยทุกโทรทัศน์ออกไปหมดแหละเกษตรเพื่อชีวิตคนก็แห่กันมา มาเที่ยวมาดูงานมาใชาก้กบประมาณให้มันหมดมะม่วงกำลังออกเต็มไมหมดเลยแต่ยังไม่ได้แก่มันก็มาเด็ดล้างผานไม่หมด <c oughs> มาดูงานที่นี่เลี้ยงข้าวฟรีอะไรฟรีหมดนะแล้วก็มันไม่ได้มันมาเที่ยวมันไม่ได้มาดูงานดูเฉยเฉยน่แลละกลับไปก็ไม่ทำเพราะครูเลยว่าไร้สาระก็เลยมาจับงานโรงเดยน เมื่อจับงานโรงเรียนเนี่ยเขาก็บังคับเราว่าเธอต้องมีคอมพิวเตอร์เธอต้องมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราไม่เอาไฟฟ้าเข้ามาก็ไม่ได้พวกครูก็ยอมเพื่อมีโอกาสได้สร้างทานบารมีทีนี้กลุ่มที่บอกว่ามาที่นี่ชอบชอบแล้วไม่มาเลยเขาบอกว่าศูนย์เปลี่ยนไปแต่ตัวเขาเองเปลี่ยนเขาไม่รู้นะเขาแก่ลงทุกวันทุกวัน คนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงสําคัญว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนเพื่ออะไรเห็นไหมเปลี่ยนเพราะเราความเราโลภเราเราโลภมากขึ้นเราอยากมากขึ้นหรือเราเปลี่ยนเพราะเราจะได้มีโอกาสได้ให้มากขึ้น <c oughs> เปิดโรงเรียนก็ถูกดา่าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมที่เปิดโรงเรียนทําไมโดนมาตลอดหนะ้าทําอะไรก็โดน แต่โดนสำหรับพ่ครูมันกระทบมันไม่กระเทือนมันก็ทำไปเรื่อยๆ เ, เขาไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งหลับหูหลับตาปฏิบัติธรรมก็ต้องไปนั่งขังกันแบบฟอร์มนะปิดวาจาปิดอะไรทั้งหมดห้าวันสิบวันไปขังเดือนปีหนึ่งมีสามรอยหกสกวันไปไปขังอยู่ห้าสิบวัน ไปแก้งขังอยู่สิบวันพอกลับบ้านก็ซิ่งอีกพูดแก้แค้นอันนั้นไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นเข้าค่ายไปฝึกสมาธิจเจริญสติเฉยๆปฏิบัติธรรมคือจเจริญมรรคผลนิพพานแล้วคืออะไรคือทานศีลภาวนาการให้ทานก็คือการปฏิบัติธรรมการเปิดโรงเรียนการให้คนยากจนเขามีโอกาส ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินในเขานะั้นั่นคือการปฏิบัติธรรมที่พวกเคยเคยเอาสารคดีที่เขาไปฉายลทัทธิชือจี้ที่ไต้หวันนะั่นนะทักษุณีเป็นสตรีรูปร่างเล็กๆคนหนึ่งมีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนบทถมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนสอนพยาบาลโรงเรียนสอนหมอมีโรงพยาบาลตั้งหลายแห่งนั่นแหละคือปฏิบัติธรรม แต่บ้านเราก็เอาปฏิบัติธรรมปุ๊บก็ไปไปถือศีลแปดไปฝึกสมาธิจเจริญสติบอกปฏิบัติธรรมมันเป็นเสี้ยวหนึ่งมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องมักผลนิพพานไม่ใช่สติผลนิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพาน แต่การเจริญมักต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้อินทรียีพร ะ, ะที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทางและพระเจ้าก็ให้ข้อกำกับมา8ข้อปฏิบัตธิธรรมภายนอกก็คือเราต้องมีสัมมาอาชีวะทุกคนต้องมีอาชีพแต่ตอนนี้เราไปมองไปที่ไหนเราไปหาสัมมาอาชีวะยากมากอาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายเฉย เพื่อรักษากายภาพนี่เป็นเครื่องมือเดินทางของจิตแต่ตอนนี้มันเป็นธุรกิจหมดแล้วอาชีพนั้นเป็นอาชีพเพื่อสร้างฐานะสร้างอนาคตทางด้านวัตถุแล้วก็ไปทุกข์กับมันแล้วในอาชีพนั้นต้องแข่งขันก็เกิดความกังวลก็เกิดการเบียดเบียนโดยเราไม่รู้ตัวมันไม่ใช่สาัมมาชีวะ มันเป็นธุรกิจสมัยก่อนคนโบราณเขาบอกค้าขายค้าเพื่อกําไรเพื่อดํารงชีวิตตอนนี้การค้าไม่พอแล้วต้องเป็นธุรกิจการค้าแม้กระทั่งศาสนาเราก็ต้องเป็นพุทธท ะ, ทะปานิชฐ์มันเราไม่ระวังตัวแล้วไอ้ความคิดแบบวัตถุนิยมทุนนิยมมันก็จะมาแทรก และตอนนี้มันเหลืออะไรเหลือแค่เปลือกกระพีนะพวกคูเคยเกินไว้หลายๆปีอ่แต่อันนี้เกิดไว้เป็นแค่ตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับชาติมาเกิดพระองค์จะจำศาสนาพระองค์ไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ จริงๆแล้วเปลือกกระพีก็มีความสำคัญต้นไม้ต้องมีเปลือกกระพีต้องมีแก่นด้วยมันต้องมีสองอย่างแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เปลือกกระพีมันระบายสีจนนันจำไม่ได้เลยว่าต้นอะไรยกตัวอย่างอุบายนั้นอุบายนี้เอาทิฏฐิมาหน้าตัวเองมาสร้างอุบายกันจนเละเลือนไปหมดเลย นั่นแหละแล้วก็ไปติดแค่รูปแบบตรงนั้นเมื่อติดแล้วเนี่ยถ้าเจออะไรที่แปลกๆพิสดารหน่อยบอกต้านเลยจิตพวกนี้นี่ไม่ก้าวหน้านะก็ถูกไอ้ตัวลังเลสงสัยหรือตัวไม่ตั้งมั่นตัวเองมันดึงไว้ ถ้าเรามีความตั้งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยพอเจออะไรใหม่ๆเราก็ไม่ได้เสียหายเราก็ลองดูสันหน่อยหนึ่งก็จบไม่เห็นเป็นไรอถ้าเรากลัวอันนี้ดีไม่ดีในแสดงว่าเราสุดขั้วแล้ะเราไม่ไม่เป็นกลางแล้วเราติดดีก็เราก็ไปมองคนอื่นว่าชั่วนะมันไม่ใช่ทางสายกลางก็มันมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสําคัญว่า เปลี่ยนไปในทางไหนถ้าทุกคนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราเราจะทุกข์แม้กระทั่งไอ้เจ้าร่างกายเราเนี่เป็นระบบเป็นของของเราเนี่ยเราไม่ให้มันเปลี่ยนก็ไม่ได้ไอ้เจ้าตัวฉันเธอห้ามแก่นะเธอห้ามเจ็บนะเธอห้ามตายเด็ดขาดฉันไม่ชอบมันก็ยังไม่ฟังเราเมื่อเราไม่อยากแก่เห็นไหมทุกวันนี้คนหาเงินหาเงินในสุภาพสตรีเราก็ทุกข์เพราะอะไร กลัวมันแก่ไปผ่าตัดไปเสริมสวยเพื่อปกกบเก่อนความแก่แล้อาจจะแต่งหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นท่ากับอารมณ์นี้ตลอดเลยเพราะเรากลัวว่าเราจะแก่คุณจะกลัวยังไงกระชั่งมันก็แก่คุณจะกลัวยังไงกระชั่งมันก็เจ็บคุณจะกลัวยังไงก็ะชั่งมันก็ตาย บางครั้งเราไปติดเหตุผลเราไปติดติดดีหรอือก็ดีไม่จริงหรอกคนดีเนี่ยเขาไม่กล่าวโทษคนอื่นไอ้คนจับผิดคนอื่นกล่าวโทษคนอื่นเราไม่ใช่คนดีคนดีจริงๆเนี่ยเขามีแต่ให้ชี้ทางเตือนสติไม่ใช่ไปจับผิดเขาจับผิดเขาแล้วก็พูดต่อไปต่อไปว่าจีกรรมนี่ก็ลามไปทั่วเลยเนี่ยกรรมหนัก บางสิ่งบางอย่างเรื่องจิตวิญญาณนี้พ่อครูบอกแล้วครับมันเหตุผลแบบตักกะมันเข้าไปไม่ถึงพ่กครูเองในช่วงอยู่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นก็เป็นคนรุ่นใหม่ละ่ะกำลังห้าวกำลังแรงไอ้เรื่องมาพูดเรื่องเวียนไหวตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมไล่หนีไปหลายคนออกไปไกลๆพวกครูก็ไม่เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆตอนนั้นเนี่ยเราอยู่กับเทคโนโลยีเราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมาพูดเรื่องพวกนี้ไร้สาระไล่หนีไปหมด เราจะไม่มีเวลาฟังสิ่งไร้สา่าเหล่านี้แต่เมื่อมันจิตมันเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราเที่ยวไปขอโทษเขาที่เราเคยว่ากาว่ากล่าวเขาบางอย่างมันพูดด้วยเหตุผลแบบตักกะไม่ได้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ด่านเม่นเราก็มีงานก่อสร้างมันก็ไม่รู้เหตุอะไรล่ะเพราะครูไม่เคยวางแผนว่าจะทำนวลทำนี่พอถึงเวลามันก็ทำ ก็เปลือไอ้โคดหินแถวนั้นรือป่าตรงนั้นนะเพื่อจะทำมาเป็นประโยชน์ในการจันโลงศาสนาโดยไม่ประกาศศาสนาประกาศพมอาจันชี้ทางผลทุกข์ให้สัตว์โลกส่วนชี้ทางแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเราชี้ทางไข่ถ้าเราชี้ทางลิงเราต้องใช้ภาษาลิงเราชี้ทางช้างก็ต้องใช้ภาษาช้างไม่ใช่ภาษาวิชาการแบบนี้ตอนนี้เราชี้ทางเด็ก เราเปิดโรงเรียนเราก็ต้องใช้ภาษาเด็กทีนี้ก็บังเอิญไปเบียดเบียนเจ้าที่เจ้าทางที่เขาอยู่ตรงนั้นตอนที่เราขยายศาลานี้เหมือนกันนะต้นเขาใหญ่ๆข้างๆนั้นเขาอยู่ที่นี่เขาไม่ยอมไปอาจารย์ปรมมีแล้วก็ครูบาอาจารย์ช่วยกันสวดจะขอร้องกันไปก็บอกไม่ ทุกคนก็ดึงพ่อครูไปพ่อครูไม่มีเรื่องจิตเรื่องพวกนี้หรอกแต่พระครูควู่ว่าลุกกะเทวดาเจ้าที่ทะทางอย่าดื้อย้ายที่อยู่ใหม่ซะต้องเสียสละเขาไม่ได้ทำที่ทางนี้ไปหากำไรอะไรที่ไหนเนี่ยเขามาทำความดีแล้วก็พรอครูก็อธิษฐานว่า เราก็เอาแม่โคมาขุดต้นไม้ใหญ่นั้นย้ายไปข้างข้างมันก็รอดอยู่ทุกวันนี้เรื่องนี้มันเหลือวิสัยนะที่เขาบอกว่าลุกคาเทวดาหรือนางไม้นางอะไรเนี่ยเขาจะอาศัยสิ่งนี้อยู่ที่นี่มีหมดอะเปตสุลกายก็ที่นี่ก็มีนางฟ้าเทพเทวดาชั้นไหนก็อยู่ที่นี่จิตอริยะอะไรก็อยู่ที่นี่ เราอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องทะเลาะ ก, กันแต่ทีนี้บังเอิญว่าเขาอยู่เคยชินของเขาแล้ววันดีคืนดีเราจะไปเบียดเบียนเขาเหมือนเราเหมือนกันน่ะเหมือนเราเหมือนกันอยู่บ้านดีๆบางคนก็บอกว่าให้มึงย้ายบ้านใหม่อย่างนี้เราก็รู้สึกเราต้องรู้ใจเขาใจเรานะเพียงแต่ว่าพูดกับเขาดีๆ แล้วก็เตือนสติเขาบ้างว่าอย่าเห็นแก่ตัวถึงเวลาแล้วเนี่ยเธอต้องย้ายที่อยู่แล้วก็ต้องทำที่อยู่ใหม่ให้เขาให้เขาพอใจตอนนี้ด่านเม่นเจอหนักเลยหลายปีก่อนมีโยมคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่ อ, อยุยมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่เกือบหกเดือนปฏิบัติแล้วก็พ่อครูเดินทางไป เขาขออาจารย์ปรมีเชิญไปตอนนั้นเพิ่งปีแรกที่ท่านไปปลุกเบิกตรงนั้นยุ้ยกับแก้วทิพย์วันนั้นปีนั้นแก้วทิพย์ก็มาพอดีมาครั้งแรกเก้าปีกว่าตอนนั้นก็แรงแก้วทิพย์แรงมากโอเคแล้วก็ไปด้วยกันกับประแขกครูก็ไปสอนไอ้เจ้ายุ้ยไปที่โนนศาลาที่อาจารย์ปรมีเนี่ยท่านไปซื้อ บ้านเก่าเขาเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนสองหลังใหญ่มากเอามาสร้างไอ้ยุ้ยมันไปเห็นแล้วนี่โอ้ยมันลงไปอยู่ในพื้นมันดีใจมากเลยบ้านมันแล้วผีตะเคียนที่เฝ้าบ้านนั้นน่ะก็ตามมาแค่นั้นเลยยุ้ยหลุดเลยคิดถึงบ้าน เราเห็นสิ่งนี้แต่ถ้าจิตเราบริสุทธิ์นะเรามีพลังบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะเขามาฝืนกรรมเราไม่ได้นอกจากเรามีกรรมร่วมกับเขาก็ไอ้กรรมที่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยก็เป็นกรรมใหม่นะพวกครูเป็นคนสั่งเองมันมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งใหญ่แค่นี้ บังเอิญเป็นโพรงหมดแล้วเรามุดเข้าไปมันเป็นโพรงเนี่ยเหลือผิวบางๆแค่นี้เองมันเป็นโพรงหมดแล้วก็ยังไม่ตายแต่พ่อครูว่าชา้าลีเราต้องล้มแน่เพราะอยู่บนโขดหินเพราะว่าลากมันยึดได้ไม่ยาวนะกลัวจะล้มใส่เด็กนักเรียนพอช่างเขาตัดเขาก็ตัดเป็นท่อน ๆ, ๆก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นรูหมดอะกองอะนะ พ่อคูก็สั่งว่าอย่าเอาไปไหนนะตัดเอาไว้ตรงนี้เอาเก็บไว้ก่อนคืนนั้นผู้ปกครองเด็กอยู่หน้าศูนย์เขาไปเข้าฝันเลยว่าอย่าเอาเขาไปไหนเขาเฝ้าอยู่นี้ตั้งนานแล้วมันเป็นทางขึ้นของพญานาคเขาบอกข้างล่างเป็นถ้ำหมดแล้วเขาก็บอกเลยมีพ่อครูคนเดียวท่านนึงจะช่วยเขาได้ ผู้ปกครองนั้นตื่นเช้ามาไปเส้นไหว้เลยล่ะแล้วไปบอกครูโก้แกสั่นเลยนะ <c oughs> พระครูไปพระครูก็ได้ยินนะคือจริงๆแล้วจิตพระครูไม่มีเรื่องพวกนี้แต่ไม่เคยปฏิเสธเรื่องพวกนี้ทีนี้ท่านในทางเขาคุยกันว่าเขาแสดงฤทธิ์ เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กำลังถมดินรถสิบลอ้อไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับถมดินเป็นของคนข้างบ้านติดโรงเรียนเขาก็จอดไว้เฉยๆใส่เกียร์เรียบร้อยเบรกมือด้วยอยู่ๆก็ถอยลงมาถอยลงมามาทางตรงใกล้ๆต้นไม้เจ้าของก็ตกใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ใช่คันเดียวนะ อีกไม่กี่วันอีกคันหนึ่งก็ถอยมาเป็นอย่างนี้และวันนั้นนักคำเขาก็คิดยังไงก็ไปขึ้นรถหกล้อที่เขาไปขุดดินแล้วก็วิ่งมาดินมาถมนะักนะคำก็ไปนั่งกับเขาด้วยพอออกจากหน้าโรงเรียนแล้วนี่เขากำลังต่อยอสายโทรศัพท์ทรูกับทีโอเเนี่ยเส้นเล็กๆนิดเดียวนะบังเอิญว่าข้างบนรถมันสูงไปเกี่ยวสายโทรศัพท์ไม่ขาด เส้นเล็กดีดเดียวนีรถหกล้อนะมันดึงดึงมันจนดึงจนให้รถคว่ำแต่คนไม่เป็นอะไรเขาไม่ทำคนแล้ววันก่อนนี้อาจารย์แหลมมองก็เอารถอาจารย์ที่โรงเรียนนั้นก็เอารถไปจอดเขามีที่วัดตกกันข้ามโรงเรียนเราเขามีงา น, น, นก็จอดเ็าเอาหน้าไปทางนี้ทีนี้ที่มันชันอย่างนี้หน้ามันชันอย่างนี้ อยู่ๆ yup. รถมันถอยหลังขึ้นเนินลงมาไปทั้งหลายสิบเ<ต heres> <enti> มตรก็บอกไปเป็นได้ไปยังไงบอกมันเป็นไปแล้วพวกครูก็เลยไปบอกเขว่าหยุดเถอะพอแล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะทำบ้านใหม่ให้อยู่นะก็สั่งครูก้เขาไปนั่นคือเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีคขดบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แต่ถ้าเราทำโดยไม่เจตนาแลวถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วอย่าดื้อรั้นอย่าดื้อรั้นนะคือต้องคิดถึงใจเขาใจเราเพวกพวกิญญาณล่องลอยนะแม้กระทั่งเทพทเท ว, วดาเปตอสูรละกายมันก็วิญ ญ, ญาณ น, นั่นแหละเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนกรรมอะไรกระชั่งเพียแต่ว่าไอ้กรรมใหม่ที่เราไปสร้างเนี่ยที่เราเบียดเบียนเขาเนี่ยมันส่งผล ยังไม่อยู่ที่นี่บางคนโอ้ยปวกเยอะนมากบดเข้าที่พักเลยบอกว่าอย่าไปว่าเขานี่คือบ้านเขาเรามาอาศัยเขาอยู่มนุษย์เรามีแต่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งโลกของมนุษย์ถ้าจะทําอะไรก็ได้จะเจาะน้ํามันขึ้นมาวันจริงล้านบาเลวอก็ช่างฉันมีสิทธิ์ข้างล่างมันเป็นโพรงหมดแล้วมันแผ่นดินมันถลม่มก็เกิดซีนามิโลกมันไม่ใช่ของมนุษย์โลกนี้ของสรรพสิง่งมนุษย์เราขี้ตู่เห็นไหม และที่ตรงศูนย์นี่ไม่ใช่ที่เรานะที่ของเขาเขาอยู่มาก่อนเรามาอาศัยเขาอยู่เราต้องนอบน้อมถ่อมตนถ้าจำเป็นต้องไปเบียดเบี้ยนต้นไม้อะไรบ้างต้องบอกเขาดีๆบอกเธอย้ายที่อยู่ใหม่ได้ไหมนะเพื่อจะได้บุญด้วยกันไงจะได้ช่วยกันจรลวงพระศาสนาหลายปีพ่ะครูสัมผัสสิ่งนี้นะโดยเฉพาะศูนย์นี่ไม่ใช่ตแล้วก็ตรงด่านเม่นนั่น เคยเกิดเหตุอยู่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่เคยเคยสัมผัสมีพระภิกษุสงฆ์มาจำบรญษาอยู่ข้างโรงเรียนด่านเม่นที่เป็นเนินหินเป็นสำนักสงฆ์เขาได้ยินข่าวที่นี่ก็รูปหนึ่งมาก่อนมาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติมาสังเกตการก็ชวนอยู่รูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านบวชจนท่านสวดปฏิโมกได้เลยนะมาปุ๊บ ไปนั่งกรรมฐ า, านอยู่ตรงนั้นนีม่มนทนเพนก็ไม่เงียบพวกครูก็มองจิตเลวมันไม่ปกติเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดินมาหาพวกครูบอกอาตมาปาราซิกแล้วขอชุดโยมหน่อยบอกอาจารย์มีสตินะท่านกรตตลึงนะคือไปหลงไงแล้วถามว่าท่านมาพักที่ไหนท่านบอกท่านพั ก, พกอยู่ตรงนั้น บอกอาจาร์ระวังนะทำเล่นไม่ได้นะตรงนั้นท่านพูดออกมาหมดเลยท่านปาราศิกท่านไม่ได้ตั้งใจมาจำมันสาที่นี่ท่านได้ยินข่าวว่าที่นี่มันจะมีพระทองคำพาคกูบอกที่นั่นทำเล่นไม่ได้นะแล้ววันนั้นท่านกลับไปที่นว่นนะตอนเย็นท่านแก้ผ้าเดินมาทั้งบนเลยเป็นบ้ามันทำทันทีเลยนะชาวบ้านต้องจับท่านส่งไปวัดเก่าท่าน ที่ตรงนั้นเน่ะเราไปบุกเบิกใหม่ๆนั่นน่ะพ่อครูก็สัมผัสได้ตอนนั้นมีโรงเรียนหลังเดียวหลังเก่าๆบังเอิญว่าลูกหลานซีพีกับเพื่อนฮ่องกงเขาเนี่ยมาเข้าค่ายเขามาทำโครงการช่วยกันบูรณะมาทาสีเด็กๆพอวันนั้นเนี่ยเขาก็ลำวงกันเนี่ยภาพยังอยู่ตรงนี้นะข้างล่างมือโผล่ขึ้นมาเป็นกระดูกมาลาวงด้วยเห็นเป็นภาพเลยนะ ข้างบนนางฟ้าก็ลอยลงมามาลำวงด้วยแล้วก็มีพรมสองหน้ามาลำวงด้วยเป็นภาพเลยนะตอนนั้นน่ะหลายปีก่อนพระครูว่าเนี่ยสามโลกกระทาสมันทะลุ ก, กันหมดแล้วบางคนมาที่นี่กลัวผีมาพระครูที่นี่มีผีไหมบอกผีข้างนอกไม่มีอะไรหรอกผีในใจเรานะเราแรงกว่าต้องระวังเดี๋ยวมันจะสยอง ไอ้ผีข้างนอกมันทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ผีในใจเราเนี่ยเฉพาะไอ้ผีความอยากนี่แหละมันจะทําให้เราสร้างกันแลไปเบียดเบียนผีจริงๆไงมันอยู่ดีๆของมันมันก็ไปกระทบมันมันก็เอาสิ <c oughs> ที่นี้พ่อกูเจอมาหมดแล้วแต่เขาไม่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกขอให้เราบริสุทธิ์ใจถ้าเราพังเผอไปทําอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจเบียดเบียนเขาก็ขออโหสิ ก, กรรมเนา ะ, นะอย่าดื้อ <c oughs> เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมัน แสดงให้เราเห็นเราพ่อครูเมื่อวานบอกว่าหยุดเถอะรู้แล้วไม่ต้องแสดงหรอกแลี่ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีใครมารบ ก, กวนนะแล้วเขาได้สร้างกุศลกับเราแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็หมดหน้าที่นี้เขาก็จะไปเกิดได้นะคือหลายปีก่อนห้าปีที่แล้วที่จิต บ, บกบถึงเวลาแล้วออกไปบรรยายออกไปนั้นนะ พวกคูถามมันเกิดอะไรขึ้นเรานิ่งมาอยู่ยี่สิบปีแล้วออกไปทำไมเขาก็ตอบว่าทาเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทานศีลบรวนภาวนาเป็นหน้าที่โอเคไม่ต้องถามก็ออกไปก็ให้ห้าปีครบแล้วสุดท้ายมันบอกหยุดตอนนั้นน่ะหลังจากเราถามมันหมกทาเพราะทำจิตพวกครูลองมันพระพุทธเจ้ายังอยู่ จิตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะเจ้าเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาเนี่ยเขายังอยู่แต่จิตระดับเป็นพระอรหันนั่นนี่ยเขายังอยู่แต่เขาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุนี้ไม่ต้องห่วงหรอกว่าผีมีไหมเราเรียกผีไงผีนี่เขาชื่อมนุษย์เตียกเหมือนอยู่ๆไปตั้งชื่อเขาตั้งชื่อตัวเองยังไม่พอลราแบกชื่อตัวเองยังไม่พอไปตั้งชื่อคนอื่นอีก ะเกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยผมก็บอกว่าผีก็กลัวนะอย่าไปกลัวผีข้างนอกกลัวผีในใจเราเนี่ยมันร้ายมากมันหลอกเรามาตลอดชีวิตนะนะกิเลสมาในใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าผีนี่ตัวนี้สยองเออมันมันบอกให้เราฆ่าคนเราก็ฆ่ามันบอกให้ทํำอะไรเราทํามันหมดเนี่ยไอ้ผีตัวนี้ร้ายมากไอ้ผีตัวนี้ละ ม, มันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิด ส่วนผีข้างนอกอะไรเขาก็อยู่ของเขาอย่าว่าแต่ผีเลยนะยมพบาลยังทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรายกหาเรื่องไปทำเขาก่อนเขาก็ทำหน้าที่ตามกรรมเขาดูแลนะเขาไม่ใช่ว่าเขาไปกำหนดโทษใครอื่นได้ไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมแต่บังเอิญเอกกรรมเนี่ยอย่างถ้าเราไปบุกเบิกที่พวกนี้เนี่ยจากความอยากเมื่อไรอ่ะแล้วก็ไปลบหลู่ไปก้าวล่วงเขาเนี่ยโดนแน่ๆหนักๆเลย แต่ถ้าเราไปทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เนื่องจากด้วยความกิดเลสตัณหาอุปทานแล้วเนี่ยแต่มันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะแสดงให้เราเห็นว่าเห็นหัวเขาหน่อยแค่นี้เขาก็ทุกข์มากแล้วต้องทำหน้าที่ตรงนี้แล้วยังจะรับกวนที่อยู่เขาด้วยเนาะพวกคนโบราณเขาเล่ากันมาเนี่ยนะมันมันมีในย่าของมันโดยเฉพาะต้นตะเขียน ที่สูนนี่อีกหลายหลายปีก่อนเนี่ยมีเด็กมาอยู่ประจําที่นี่ตอนนั้นมาเข้าค่ายอะไ ร, ระกูจําไม่ได้เนี่ยอยู่บ้านคุยอิ่วทุกวันนี้แหละเดี๋ยวคุยอิวคืนนี้นอนไม่หลับข้างๆมีต้นตะนีเป็นกอตะนีห้าต้นแล้วบังเอิญว่ามันมีแทรกด้วยกล้วยน้ำว้าห้าต้นมีต้นตะนีไม่ใช่ กล้วยตนีสี่ห้าต้นมีกล้วยน้ำว้าด้วยอยู่นั้นแทรกอยู่สองสามต้นและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันบอกครูว่ามันเห็นผีตนีมันไม่อยากนอนมันอยากมานอนศาลานะพวกคูก็เห็นจิตมันเรียกมันนียลูกเป็นงไงลูกมันก็เล่าให้ฟังมาเออผีต์นีเขาอยู่ส่วนเขาจะผีในใจเธอหลองระวังที่เขาอยากมันนอนเขานอนเพราะว่ามันอยากไปเจอหนุ่มอยู่หน้าศูนย์ แล้วยังไงรู้ไหมพรอคูบอกเวียงทิ้งนะคือคือเขาอยากจะไปพบไอ้หนุม่มอยู่หน้าศูนพรากูเทศเขาเสร็จแล้วพระกูก็กลับไปที่พักอยู่อยู่ยบ้านก็มีแสงเหมือนอันนี้พรอคูเห็นบ่อยๆนะไม่มีฝนตกด้วยก็มีเหมือนสายฟ้าผ่าเรียบๆเข้ามาในบ้านออเอาละมีสิ่งบอกแล้ว แล้วก็พก่อคูตอนนั้นนั่งนั่งนั่งนั่งอยู่กับมีประแขมีเรื่อยทุกคนเห็นหมดนะพ่อคูก็เดินทางมาที่ศูนย์เนี่ยฟ้าผ่ากล้วยตันีห้าต้นนั้นน่ะมันแปลกมากมันผ่าแล้วล้มทั้งห้าอย่างนี้เลยเหลือแต่ต้นกล้วยน้ำวาเขาสะสางเลย ใช่ไหมคำว่านางตะนีคนโบราณนะถึงว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันมีจิตวิญญาณมาอยู่ทั้งหมดแหละแต่ว่าจิตวิญญาณทำไมเขาเลือกต้นตะเคียนเขาไม่เลือกต้นตนีอะไรอะไรพวกนี้แนหะก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยนะเราเป็นเราเป็นพวกตีกรบบันหยุดล้วก็ไปอยู่กับพวกตีกอบแล้วพวกกินเหล้าเราก็ไปอยู่วงเหล้า เราไปพวกเล่นการมันก็อยู่วงเล่นการพ น, นันจิตวิญญาณที่มันออกจากร่างมนุษย์จะเป็นเทวดาก็ช่างอลไรก็ช่างเขาก็แบ่งเป็นหลายสเปซี่จิตวิญญาณที่ต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็มาอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมจิตวิญญาณที่เป็นเทวดาชอบเสกสุขก็ไปอยู่ที่สวยๆงามๆจิตวิญญาณที่ชอบไปคนกา่าบว่าก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางพวกระดับตา่างแต่ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดเขาก็ไปเลือกที่อยู่ที่มันเหมาะกับเขา หลายปีก่อนตั้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้านะเพราะคูจบไม่ได้ว่าปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในศูนย์เนี่ยไปไหนหมดไม่รู้นะเหลือพวกคูคนเดียวนะบังเงินออกปรรษาเสร็จพวกคูก็กางกดนอนอยู่นี้คนเดียวตรงศาลาหลังเก่ากลางดึกลรเห็นนิมิตเปลือก สูงมากสูงมากมันขนาดมันสูงเลยมันก็ยังถเอียงเท้าอยู่ถือกระบอกเดินมาทีนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในศูนนั้นตอนนั้นเห็น๊ก็ไปเอาน้ําสากมันมันโกรธมากมันบุกเข้ามาเพราะคุณในนิมิตก็บอกว่าคือจิตซ้อนจิตว่าเฮ้ยทาไมเป็ต้องเป็นแบบนี้มันเป็นอุปทานหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ดูมันว่า เปรตทำไมต้องเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเห็นไหมเพราะเปรตในนัยยะของเราเนี่ยเราถูกจินตนาการว่ามันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้มันก็สื่อมที่เราเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้เจ้าแม่กดนอิมอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่เราเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่ามันคือเปรตไงเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันจะทําให้เราเห็นอารมณ์มันเท่านั้นเองทีนี้มันเข้ามาเพราะคูกเอานาำเหมือนกัน พราครูก็บอกเจ้าเปรตเออหยุดนะหยุดสร้างกรรมเดี๋ยวนี้แค่นี้กว่าจะผุดจะเกิดนี่ก็เหมือนถูกขังลืมเลยนะ่ะหยุดเขาก็ตัวเล็กลงมาเล็กลงมาก็กล่าบพราครูบอกว่าเขาทุกข์มากเขาขออยู่ด้วยโอเคอยู่ด้วยกันอย่าหาเรื่องอย่าถามว่าที่นี่มีเปรตไหมมีแล้วยังไงล่ะถ้าทุกคนเนี่ยย้อนหลังเห็นอดีตตัวเองนะ ถ้าทุกดวงจิตเนี่ยเราสะสมกองกระดูกเราไว้เนี่ยตั้งแต่สมัยเราเกิดเป็นเสือเ ป, ũ, เป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นช้างเป็นเศรษฐีเป็นยาจกอะไรเนี่ยนะทุกดวงจิตมีกองกระดูกเท่าภูเขาพัซซูเมนมันสะท้อนอะไรรู้ไหมดินแม้แต่หนึ่งเม็ดไม่มีแต่หนึ่งเม็ดแต่หนึ่งเมนั่นไม่เคยเกิดเป็นมีชีวิตผีทั้งนั้นแหละ <c oughs> แต่มันก็เป็นแค่สมมุติเห็นไม บางคนบอกผีหลอกผมล่วงหมดเลยผีหัวโขนรู้อยู่แล้วผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงแต่ผีในใจมันหลอกเราไงหลอกจนกลัวจนผีโลกหัวโขนเลยผีมันทำให้เราไม่ได้เราทำตัวเองเหมือนเราตกใจเห็นไมเราก็วิ่งไม่ออกเลยเห็นไหมมันเป็นอุปทานเมื่อเราอุปทานกลัวจนอะไรพวกเนี่ในเวลานั้นฮอร์โมนเราเพี้ยนเลยนะมันก็กระทบกายภาพ มันเป็นโลกอุปทานอย่างหนึ่งนะถ้าเราปฏิบัติจิตไปได้เรื่อยแล้วเนี่ยเราไปเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นผีมาตั้งหลายรอบแล้วเราจะไปกลัวผีทำไมฮะเราเป็นมดเป็นมอดเป็นจิ้งก่าเป็นอะไรมาตั้งหลายรอบแล้วเราจะไปฆ่ามันทำไมนี่คืออนิสงส์ที่เราไปเห็นอดีตไม่ใช่ไปหลงอดีต อดีตเป็นบทเรียนทําให้เราเห็นอนาคตผู้เจ้าตัสรู้ธรรมเนี่ยไม่ใช่นั่งเทียนจินตนาการคิดเอาเองนะไม่ใช่นะพระองค์เห็นธรรมเนี่ยเนื่องจากพระองค์เข้าไปในจิตในจิตไปเสพธรรมในธรรมธรรมลมนั้นน่ะเป็นกล่องบันทึกโปรแกรมสมัยที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรอะไรเยอะแยะเลยพระองค์ไปเห็นตอนนั้นคือประสบการณ์จริงๆทําให้พระองค์เห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมนั่นแหละคือเห็นธรรม เห็นความจริงนะนี่แหละคือคําตอบว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อให้เราเห็นธรรมเห็นความศัจธรรมความจริงตามธรรมชาติโดยเฉพาะความจริงเรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญกุณโทษเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือช่างตวงวัดวิทยาศาสตร์จึงเข้าไปไม่ถึงเพียว่ที่นี่พ่อกู พยายามเตือนสติดีกเลี้ยงเนี่ยมอย่าไปคุยแม้กระทั่งเรื่องสภาวะธรรมโอ้ยเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ไปหลงมันไม่ต้องห่วงหรอกเราเป็นมาหมดแล้วเรายิ่งใหญ่มาหลายชาติแล้วมาถึงได้มาเกิดอีกง่ายยังจะไปติดมันอีกยังอยากจะเกิดอีกเหรอเราปฏิบัติเพื่อเราจะไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละคือทางพ้นทุกข์ อันนี้ไปแล้วก็ไปหลงติดมันติดมันแล้วก็อุอยเอาตัวนั้นมาใช้อะไรเพื่อเพื่อจะอะไรเอาล่ะเป็นอามิตรหมดเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะโอ้บางทีปฏิบัติจนเห็นเลขสามตัวเลยไงซื้อก็ถูกไงพอถูกแล้วนี่ย่ามใจมาทีนี้ก็จินตนาการเอาที่นี่มันหลอกละครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองเนี่ยท่านพูดเหมือนกันว่าเรานั่งแล้วเราเห็นนิมิตจริง แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงบางคนนั่งนั่งแล้วโอ้น้ําตาไหลมากเลยแต่พวกผู้คู่มองแล้วเนี่ยไม่ใช่โศกเศร้านะปิติมากๆเลยบอกหมดเวลาแล้วไม่อยากจะออกมาเลยเพราะอะไรเห็นพระผู้เจ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยอุ้ยใครกล้าจะเบี่ยงพระผู้เจ้าทิ้งนะเรื่องอะไรกออยู่ตรงนั้นแหละพวกผู้ถามว่าพระผู้เจ้าเป็นแบบไหนนี่เหมือนพระพุทธรูปเลยบอกถามว่าเคยเห็นเจ้าชายศทธฐาไหมา ตกเลยจิตตกเลยไงโดนหลอกอีกแล้วเห็นไหมเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงจิตข้างในมันก็สร้างอุปท า, านมาสอบอารมณ์เราว่าเธอก้าเหวี่ยงทิ้งไหมในพระไตรปิฎกผู้เจ้าตัดไว้เองว่าระหว่างทางเดินไปนี่เจอพระพองค์า่าพระองค์ทิ้งซะพระอง ค, อง ค, องค์ไม่เล่นไ ม, ไม่เล่นขายขนมคกกับเราหรอกนะ ไม่ใช่ว่าเราลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เบียงเพราะองค์ท hmm. ิศเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงทิ้งไม่ต้องพิจารณาอะไรจริงไม่จริงรู้สึกว่าจริงก็เวี่ยงทิ้งรู้สึกไม่จริงก็เวี่ยงไม่ใช่เวียงสิ่งนั้นทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงสิ่งนั้นทิ้งแต่เรามีความอยากอยู่นะญาติธรรมรุ่นเก่าๆก็มีนะเรียกว่าท่านในทางระบบสมหัวกัน พูดเบาๆอย่าให้พ่อครูได้ยินนะเจอของดีๆอย่ายวเวียงทิ้งนะหามาตั้งนาน <c oughs> ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมสแสวงหามาตั้งนานเจอแล้วยังบอกให้เหวียงทิ้งอีกเราอย่าแกล้งลืมนะเรายิ่งใหญ่มาหลายชาติแล้ววิชาใดเราก็ฝึกมาหมดแล้วเราจึงได้มาเกิดอีกไงเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อเราจะไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นก็คืออัตา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 บรรลุมรดผลนิพพานวัยวัยเทิน